เชิญไซใหม่มาถึงภูเขาด้วยช่วรนั้นล่ะนี่แน่กับลูกไม่เคยได้พบกันเท่าไหร่อเพราะต่างมีภารกิจของตัวเองที่สรวลน์เกี่ยวกับงานที่ต้องรับผิดชอบแต่หวังอย่างยิ่งว่าก็จะเป็นการเปิดอีกขั้นหนึ่งสําหรับพิจักลูกกับพิจักแม่ที่จะมีโอกาสได้พบกันบ่อยๆทางนี้ไม่ใช่เพื่อจะสนับสนุนเหมือนอย่างที่ผ่านมาแต่หวังอย่างยิ่งว่า การพบกันบ่อยๆจากนี้ต่อไปจะเป็นการร่วมไม้ร่วมมือกันในทำกิจของพระเจ้าที่จะขยายแผ่นดินของปรวอออกไปเอเมนั้ยครับไปทราบเมื่อวานนี้เป็นวันเด็กมีใครพอจะจำคำขอนวันเด็กได้ไหมครับลบเกินหนึ่งสองสาม ผมไอ้คุณครูท่องได้ดีกว่าเด็ก <laughs> ผมไม่ได้รับคําขวัญมันเด็กจากที่ไหนเลยนะเพราะว่ามีแต่คนส่งคําขวัญมันเด็กไหมผมเหมือนกันแต่ว่าไม่เหมือนจะมีเขาบอกว่าจนต้น อ, อย่าสู้รถตู้อย่าขึ้น <laughs> <laughs> คำขวัญมันเด็กแบบนี้ <laughs> อันนีคือสังคมเราที่มันแปเปลี่ยนและก็สร้างความสับสนให้กับพวกเราอย่างมาก ยิ่งกว่านั้นเมื่อผมได้มีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกของเราใบนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้ผมตกใจแล้วก็มีความกังวลอยู่พอสมควรนะครับเกี่ยวกับโลกของเราโดยเฉพาะยิ่งภูเขาน้ําแข็งทางขั้วโลกเหนือที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรดวดเร็วละลายไปมากทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาคือสนามแม่เหล็กขัแม่เหล็กนี้มีการเปลี่ยนมุมเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทาง เพราะฉะนั้นพวกเราอาจจะเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นเกิดขึ้นในทุกทุกหนึ่งโลกที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้อย่างมากทีเดียวแต่สิ่งนี้เราจะเตรียมตัวเผชิญอย่างไรคนมากมายในวันนี้เกือบจะไม่ให้ความสนใจนะครับมีได้ไหมายความว่าไม่มีใครส่งสัญญาณเรื่องเหล่านี้ออกมามีคนส่งสัญญาณในเรื่องอย่างนี้ออกมาเป็นระยะระยะแต่คนในยุคนี้ไม่ได้ให้ความสนใจจะสนใจได้ไงเพราะเรามัวแต่ก้มหน้าก้มตา อยู่กับจอเล็กๆอืมทุกคนสนใจยจิงแต่ว่าสนใจแต่เรื่องที่เตืเอนสนใจและเรื่องที่คนสนใจอยู่รอบข้างไม่สนใจนี่เป็นเรื่องที่แปลกคนใกล้ตัวเราไม่คุยแต่เราคุยกับใครก็ไม่รู้อยู่ไกลออกไปอไอ้เป็นเป็นภาพที่ไม่ว่าผมจะไปที่ไหนจะเจออย่างนั้นแล้วก็เป็นสิ่งที่ภรรยาผมมันจะเตือนผมตลอดเวลาด้วยเวลาที่พวกเราอยู่กันเป็นครอบครัวภรรยากลุ่มอะมันจะบอกว่า วางบ้างเถอะผมก็รู้ว่าเป็นการปล่อยวางก็มาวางบ้างไอ้โทรศัพท์เนี้ยผมว่าผมปล่อยวางหลายเรื่องแล้วนะยกเว้เนโทรศัพท์ยังไม่วางทีเราต้องวางเวลาที่เรานั่งอยู่ด้วยกันในครอบครัวจะกินข้าวด้วยการ น, นั่งสั่งอาหารมากินด้วยกันหี่จะนั่งอยู่ครบควด้วยกันเนี่ยสิ่งที่ผมสังเกตอยู่ตลอดเวลาเริ่มเมื่อก่อนผมไม่ชอบแลวผมก็ไม่อยากจะ แต่โทรศัพท์มากนักในเรื่องเหล่านี้แล้วผมมีคนที่ลาหลังมากในเรื่องของไอทีแต่เดี๋ยวนี้ผมติดโทรศัพท์เหมือนกันตอนนั่งปุ๊บก็ต้องควักออกมาแล้วดูไลน์หน่อยดูเฟซหน่อยดูที่มีใครไลน์มาหามีใครส่งเฟซอะไรบ้างผมก็ติดเจ้าก็ถ้าติดเป็นนิสัยเหมือนกันเจ้าพยายามต้องเตือนอยู่ตลอดเวลาเตือนก็หงุดหงิดเตือนไปเตือนมาสุดท้ายเราบอกว่าใช่คําเตือนนี้เกือบจะไม่มีใครสนใจแต่ในที่สุดผมก็ต้องร่วมมือกับภรรยาเตือนลูกเดือดบอกว่าโอเคเรากินข้าวระวังนะ เรานั่งอยู่ด้วยกันเราวางนะสนใจกันบ้างดีกว่าดีกว่าเมื่อแต่วันๆสนใจเพราะเราก็สนใจอยู่ในโทรศัพท์มาทั้งวันอยู่แล้วมาเจอในครอบครัวคุณจะวางบ้างไม่ใช่ปล่อยวางนะแต่วางบ้างโทรศัพท์เนี่ย <laughs> ไอ้เนี่ยนครับแต่กครไม่วางขอพระเจ้าให้โทรศัพท์ของท่านไปเถอะจะอยู่แล้วถ้า <laughs> วางไม่ลงก็ถวายสละลงไปถึงถวายวันเนี้ยช้เนี้จะได้เป็นประโยชน์ต่อเรื่องเงินบ้าง นี่คือสิ่งที่เรากำลังไปเชิญโลกวันนี้เรามัวสนใจกับเรื่องที่น่าสนใจในความรู้สึกของเราแต่เรื่องที่ควรสนใจต้องสนใจใน่เราไม่สนใจเรื่องที่มันไกลเราคิดว่าไกลไกลตัวลรเกินไปไหมสาหรับสภาพแวดล้อมในโลกเนี้ยวันนี้มันเป็นเรื่องเดียวกันของคนทั้งโลกแล้วนะไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของเราทุกคนในโลกเนี้ยที่ต้องกําลังเผชิญเรื่องกันถ้ามันเกิดการเปลี่ยนแปงแลงอะไรอย่างรวดเร็วอย่างที่ไม่คาดคิด ผลกระทบนี้จะส่งผลกระทบต่อคนทั้งโลกไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งจะดูเหมือนแทบไม่มีใครให้ความสนใจยิ่งกว่านั้นใครจะใส่ใจสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าทิ้งต่อคนทั้งแผ่นดินโลกเกือบทุกคนทุกพิสจักรนึกทุกที่เราก็สนใจในมุมของเรานิมิตของเราแผนงานของเรางานที่เราทําเป็นประจําที่พิจารณ์วุ่นวายอยู่กับ วุ่นวายสารวนอยู่ทุกทุกวันผมก็อยู่กับเราทั้งหลายมาพอสมควรแล้วก็ไปอยู่ที่เซนไซไมฟังพอสมควรด้วยแล้วก็อยู่กับภาคพอสมควรด้วยผมรู้สึกว่าผมหมดเวลาไปกับการ น, นั่งลงวางแผนเนี่ยเยอะมากและไม่ได้ทำอะไรสักอย่างเลยเลยปีที่ผ่านมานี่ขอขอพูดสักหน่อยหนึ่งแต่อย่าอย่าไปบอกภาคนะอย่าไปบอกกรรมการใจนจารเขตอยู่ที่คนหนึ่ง ติดปากไว้ด้วยนะจันเขนแล้วพวกเราก็ปิดเดือนถ้าเกิดลูก ร, รู้จริงภาพผมรู้ออกมาจากบทซอีออลแน่นอนปีที่ผ่านมาเราวางแผนปีหนึ่งพันสองพัสบปเราวางแผนยุทธศาสตร์ของภาพวางทั้งปีเลยรไวไม่ได้ทําอะไรเลยแผนยังไม่จบนะครับอาจารย์เคนก็ยังคงล่างอยู่ยังคงทําอยู่นั่นท่านจันเขนเป็นคนบันทึกและผมก็ร่วมในกรรมการด้วยเราวางแผนหนึ่งปีผมก็เลยมองเออเมื่อก่อนผมอยู่ซอีอก็วางแผนเหมือนกันนะวางทั้งปีเลย เริ่มต้นปีวางแผนวางแผนวางแผนเนื้อแน่ละหมดปีแล้วแผนยังวางไม่จบเลยหมดวาระธุรกิจแล้วยังไม่ได้มีแผนอะไรเลยทุกอย่างเขาไปตามเดิมเดิมชุดใหม่ขึ้นมาก็เริ่มวางแผนกันต่อชีวิตเราจบไปกับการวางแผนแต่ไม่ได้ทําตามแผนสักอย่างอยู่ที่สายไหมก็เหมือนกันติดนิสัยไปจากนี้ด้วยติดสิ่งที่ดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้เรติดไปจากซีอิ๋เหมือนกันก็คือเมื่อแต่นั่งวางแผนแต่ไม่เคยทําตามแผนสักอย่าง นี่เป็นเรื่องที่น่าน่าเศร้ามากสำหรับพวกเราและผมเลยถามตัแล้วเมื่อไหร่จะได้ทำตามแผนสักทีสิ่งที่ดีที่สุดก็คือแทนที่เราจะมานั่งวางแผนของเราพระเจ้ามีพระประสงค์ของพระองค์อย่างชัดเจนแต่เพียงแค่เชื่อฟังและทำตามแต่ก็มีบางสิ่งบางอย่างที่เราคงต้องคิดต้องใส่ใจในเรื่องรายละเอียดเหมือนกันทำงานโดยไม่วางแผนเลย ก็ไม่มีประโยชน์เมื่อแต่วางแผนไม่ได้ทําอะไรเลยก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นการวางแผนต้องวางใช้เวลาวางที่สั้นไวพวดเร็วง่ายแล้วก็เป็นไปได้แล้วลงมือทําซะไม่มีแผนในที่สมบูรณ์ที่สุดเมื่อแต่วางแผนให้สมบูรณ์เราจะไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะฉะนั้นวางให้ไวให้เร็ให้ง่ายแล้วก็รีบลงมือทําและมีแล้วก็ปรับแก้กันต่อไปนี่คือมุมที่เราต้องคิด เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะให้เราทั้งหลายได้มีโอก า, าสได้ใครโครุ่มกันในพระธรรมเอเวอสในวันนี้ในหัวข้อเร า, เราถูกเลือกเพื่อพระประสงค์ไม่ใช่เพื่อความตั้งารของเราหรือแผนของเราแต่เราถูกเลือกเราทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่เราถูกเลือกจากพระเจ้าเพื่อพระประสงค์ของพระองค์ไม่ใช่ของใครคนไหนคนนี้ถ้าแผนของเราความตั้งใจของเรา ออกไปนอกเส้นทางหรือไม่ได้ตรงกับสิ่งที่พระเจ้าประสงค์ในชีวิตของเราก็ป่วยการสิ่งที่เราจะต้องเสียใจมากเมื่อเราอายุถึงจุดหนึ่งจุดหน่งที้ผมบอกไม่ได้ว่าแค่ไหนบางคนอยาบอกหกสิบก็รู้สึกว่าถึงจุดที่เราต้องเริ่มคิดใครควญและเริ่มรู้สึกรหนักบางคนบอกหกบ้างคนบอกเจ็ดสิบางคนบอกแปส แต่ในวัยที่เราผ่านล่วงเลยแล้วเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรอีกเลยและเราได้จะเสียใจเนี่ยในช่วงวัยอย่างนั้นเนี่ยเราจะเสียใจอยู่หลายเรื่องที่สำคัญหนึ่งในนั้นที่เราจะต้องเสียใจก็คือเราจะเสียใจว่าทำไมเราไม่ได้ดูรายสุขภาพของเราอย่างดีเพราะฉะนั้นวันนี้ใครยังกลับใจได้กลับลำได้รีบกลับลำซะยาวแต่กินขาหมูขากี ไม่ได้ห้ามแต่ท่านเอาตั้งหน้าตั้งตาไปไหนก็จ้องแต่ขาหมูกับขาขี่มีวันหนึ่งท่านจะต้องเสียใจว่าทำไมท่านไม่ได้ดูแลเรื่องการกินให้ดีอย่าจะดื่มน้ําโค้กบัฟซี่โคลออยู่เป็นประจำไปที่ไหนก็ดื่มเช้ากลางวันเย็นไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามต้องหาสิ่งอันี้ดื่มอยู่ตลอดเวลาหลายคนบอกว่าเพราะาโค้กในแก้กะหายอยากจะให้กระที่เต็มหน้าในหายเลยกินโคก คนละเรื่องนะแก้กระหายแก่โคบไม่ได้ดับกระหายยิ่งกินยิ่งอยากกินอีกกินกินกินกินเท่าไหร่ยิ่งสะสมและนในที่สุดเราจะพบว่าเราเสียใจเพิ่มไปเรากินคบมาตลอดนนี้ไม่ได้ว่าอะไรคับบริษส่โคบนะครับแต่ถ้าเรากินมากแล้วกินเป็นประจำกินแล้วไม่มีใครติดเลยเขาถ้ากินประจำอย่างเงี้ยกินกินกินกินกินกินวันนึ่งเราจะเสียใจเพราเราไม่รู้แหละ บางคนชอบหวานปรุงด้วยเกลือเค็นบางคนชอบเผ็ดชอบเปือ่อจัดชอบหวานจัดชอบเค้นเค็มจัดรสจัดจ้านทั้งหลายเรากินของดิบๆสุกๆอยู่ตลอดเวลาวันหนึ่งเราจะต้องนั่งเสียใจว่าทําไมเราไม่ได้ดูแลสุขภาพของเราวันหนึ่งเราจะต้องนั่งเสียใจอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญคือเราจะเสียใจว่าทําไมเราไม่ได้ดูแลลูกหลาน และสั่งสอนเขาอย่างนี้ล้วันนี้เราจะนั่งเสียใจต้องถามตัวเองวันนี้ลูกของเรายังมานั่งอยู่ในโบสถ์ไหมวันนี้ลูกยองกตุลิ้นในงานรับใช้อยู่ไหมในวันนี้ลูกเราเอางเป็นคนดีอยู่ไหมเป็นคนดีของสังคมไหมวันนี้ลูกเรารับผิดชอบต่อหน้าที่การงานหรือเปล่าวันนี้ลูกเรายังอยู่ในทางที่ดีเลยไหม หรือวันหนึ่งเราจะต้องมานั่งเสียใจว่าทำไมวันนั้นเราไม่ได้ใส่ใจดูแลลูกอย่างเี่งดีแล้ววันนี้เราก็นั่งเสียใจกับเขาวันนี้ถ้าใครกลับกล้ำได้รีบ ก, กลับวันนี้ที่ใครตั้งตนได้รีบตั้งตนอะไรที่ยังคงแก้ได้ทำได้ทำอย่ารอจนวันนั้นก็มานั่งเสียใจอยู่กับเรื่องแบบนี้ซึ่งไม่มีโอกาสไม่มีทางกลับย้อนไปแก่อะไรเลย วันหนึ่งเราอาจจะต้องนั่งเสียใจเพราะเรารู้สึกว่าเรายังมุ่งมานะไม่พอถ้าวันนั้นเรามุ่งมานะพอวันนี้ชีวิตของเราจะไม่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่ยังแข็งแรงยังทำงานได้ยังเป็นอยู่ในวใัยชะกันวัยที่ยังคงมีความฝันจงมุ่งมานะให้มาอย่ามีแต่ความฝันต้องมีวิ น, นัยต้องลงมือทำต้องขยันขันแข็งต้องอดทน ต้องทุ่มเทเราคิดจะมีโอกาสได้เห็นความสำเร็จในชีวิตนี่คือชีวของเราแล้ววันนึงเราจะต้องนั่งเสียใจว่าวันนั้นถ้าเราใส่ใจมากกว่า น, นี้วันนั้นถ้าเราขยันกว่า น, นี้วันนั้นถ้าเราทุ่มเทกว่า น, นั้นวันนั้นถ้าเรามีวิญญาณในชีวิตของเราวันนี้เราคงจะประสบความสำเร็จนี่ไม่ใช่เรื่องที่ผมเริ่ม เ, เสียใจเลยนะครับไม่อยากจะบอกว่าวันนี้ห้าสิบกว่าแล้วเริ่มเขาดาวถอยหลัง เริ่มนับถอยหลังแต่ผมเริ่มเสียใจกับบางเรื่องซึ่งไม่อาจย้อนกลับไปแก้ไขได้ผมบอกกับภรรยาและลูกว่าว่าถ้าผมย้อนกลับไปได้ผมจะไปแก้ไขหลายเรื่องในครอบครัวของเราแต่เนื่องจากวันนี้ผมย้อนไม่ได้ผมก็จะแก้ไขและเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างในวันนี้เท่าที่ผมทำได้แต่ขอบอกก่อนว่าไม้แก่เนี่ยมันดัดยากเหลเือเกิน ผมตั้งใจได้ครั้งหนึ่งเนี่พลาดไปสามครั้งตั้งใจใหม่ยังไม่ทันได้เริ่มเลี่ยพลาดอีกละมันนรืพลาดอยู่เรื่อยๆแต่ภรรยาก็เข้าใจก็อดทนมาแล้วยี่สิกว่าปียี่สามสิบปีแล้วยังคงต้องอดทนต่อไปอนี่เป็นความจริงที่เราต้องยอมรับสิ่งกันละกันล่ะตอนนี้หวังจะได้รับดอกไม้บนวันเลนไทายคงไม่ได้อีกละทำใจ หวังจะได้รับของขวัญในวันเกิดคงยะต้องทำใจนะนะหลายอย่างนี่คือสิ่งที่เราจะเสียใจในวันนี้จะมีบางคนที่วันหนึ่งจะต้องนั่งเสียใจบอกว่าวันนั้นทำไมเราจึงไม่ตัดสินใจเปลี่ยนหรือกล้าที่จะทำบางสิ่งบางอย่างที่มันดูแม้จะเสี่ยงมันท้าทายมันยากแต่ถ้าวันนั้นเรากล้าที่จะทำวันนี้เราคงไม่เป็นอย่างนี้ วันนี้เราก็ไม่เหมือนอย่างนี้เพราะฉะนั้นวันนี้โอกาสที่ยังเป็นของเราจงกลา้ากลา้านะอย่าให้วันเวลาของเราหมดไปกับเรื่องที่ซ้ำๆเดิมๆอยู่ตลอดเวลาและชุดดอกก็เหมือนเดิมแต่ผมอยากจะบอกว่าวันหนึ่งเราจะนั่งเสียใจมากที่สุดในชีวิตของเราซึ่งเป็นผู้เชื่อนี่คกิดจะนั่งเสียใจว่าทำไมเราไม่ได้ทำสักอย่างหนึ่งเลย หรือสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่พระองค์ปราทานาให้เราทําแล้วเรากําลังจะจากหรือเวลาของเรากำลังจะสิ้นสุดลงก็มันจหมดรวมวันนั้นเราจะเสียใจที่สําคัญที่สุดทุกอย่างที่เราไม่ได้ทําอาจจะจบลงไปกับเราแต่สิ่งที่เราไม่ได้ทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของเรา เรายังต้องไปรายงานตัวและต้องไปอยู่ต่อพระพักของพระองค์อีกครั้งด้วยนี่จะเป็นสิ่งที่น่าเศร้าและน่าเจ็บปวดมากที่สุดสำหรับพวกเราทุกคนขอร่วมแจกันให้ทาข้าแต่ประชาพระบิดาขอพระองค์ได้ทรงโปรดช่วยและทรงโปรดนาเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะมีหูตาที่สว่างและถุกเปิดออกและเข้าใจถึงพระเมตตากรุณาของพระองค์ ถึงป ร, ประสงค์อันล้าลึกของโปรงที่มีต่อข้าพุทธองค์หลายตระกูลที่อยู่ที่นี่คุณจะไม่มีสักคนหนึน่งทํากลางข้าพุทองค์มาพลาด จ, จากทางของโปรงพลาด จ, จากประประสงค์ของโปรงเลยขอได้สมงปรดช่วยเพื่อทุกสิ่งจะสำเร็จตามชอบประทัยของโปรงในพระนามแห่งองค์พระเจ้าได้ไห อ, อาจารย์ปารอได้กล่าวถึงในพระธรรมเอเฟซัสในบทที่สาบทที่หนึ่งข้อที่สถึงข้อที่14ได้เตือนสติ พี่น้องที่เอเฟซัสและได้ให้คำหนุนใจให้กำลังใจพวกเขาด้วยถึงชีวิตที่แท้จริงของชาวเอเฟซัสพี่น้องคริสเตียนที่นั่นเดิมพวกเขาเป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้นับถือองค์พระเยซูคริสต์ไม่ได้เชื่อพระเยซูคริสต์เป็นคนที่มีวิถีชีวิตโดยทั่วๆไปและโดยเฉพาะที่เอเฟซัสก็ค่อนข้างจะให้ความสําคัญและสนใจกับเรื่องของรูปเคารพเป็นอย่างมาก และอาจารย์โปลเมื่อไปประกาศที่นั่นท่านก็ถูกกล่อมเห็นีวินันด้วยวิถีชีวิตของคนเหล่านั้นค่อนข้างคลุกครีคอยู่กับความเชื่อไสยศาสตร์เรื่องของรูปเคารพตลอดและคนทั้งเมืองเป็นอย่างนั้นและชื่อเสียงโด่งดั ง, องอก่อพจะสั่งลุ่นก็คือเรื่องของรูปเคารพนี่นี่แต่เมื่ออาจารย์โป ร, โปรไปที่นั่นเริ่มมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งบางคนเริ่มสนใจเรื่องของพยิยสคิดและเริ่มเปิดใจออกและต้อนรับพยิยสคิดเริ่มเรียนรู้และค่อยๆเติบโตขึ้น แล้วก็เป็นเหตุให้อาจารย์โปโลถูกข่มเหงเนื่องจากมีคนเริ่มสนใจในทางของพเยอสกี้นี่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นแจนอํารย์โปโต้องออกจากเมืองเอเทเซสไปแต่อาจารย์โปโลก็ได้ใช้เวลาพอสมควรกับผู้นําที่นี่อยู่ในคนกลุม่มหนึ่งที่นี่จนพวกเขาเติบโตพอที่จะนําและดูแลผู้เชื่อคนอื่นๆต่อไปที่นี่ได้และนี่เป็นจดหมายที่อาจารย์โปโลได้เขียนย้อนกับไปถึงผู้เชื่อที่เอเทเซสเพื่อจะให้สติพวกเขาและเพื่อจะโน้นใจพวกเขา อย่าลืมว่าพวกเขาถูกเลือกไว้แล้วก่อนที่จะวางรากสร้างโลกนี่คือสิ่งที่อาจารย์ปโดพูดถึงพี่น้องที่รักวันนี้ผมก็อยากจะหนุนใจพวกเราว่าพวกเราก็ถูกเลือกไว้ก่อนแล้วเช่นเดียวกันเราอาจไม่รู้จักพระองค์แต่พระองค์ทรงรู้จักเราล่วงหน้าและพระองค์ทรงเลือกเราทั้งหลายไว้แล้วนี่เป็นความจริงลอง พ, อพิจารณาดูดีๆในชีวิตของเราประเทศไทยของเรามีคนจํานวนมากมีร้อยตายสิบกว่าปีจะสองร้อปีอยู่แล้ว คริสเตียนไทยยังไม่ไปถึงไหนเลยยังครองแชมป์ 1% ยังไม่ถึง 1% ดีเหมือนเดิมยังครองแชมป์อยู่นะครับในเอเชียนี้ประเทศไทยเป็นประเทศที่การเติบโตในเรื่องของพี่น้องคริสเตียนเนี่ยช้าที่สุดแม้แต่เขมพรพม่าเวียดนามก็แสงเราไปหมดแล้วแต่ขอบคุณพระเจ้าที่ 4% ก็มาถึงพวกเรา และในบรรดาคนจำนวนมากในประเทศไทยเราเป็นหนึ่งในนั้นที่ได้ยินข่าวประเสริฐและได้เปิดใจออกตอนราเปรเยสกิโดยพระคุณของพระเจ้าเราถูกเรียกและถูกเลือกวัดไม่ว่าเราจะรู้สึกอย่างไรก็ตามจะเป็นเหตุบังเอิญที่มันนั่งอยู่ในที่แห่งนี้ด้วยเหตุใดก็ตามบางคนอาจจะมาเพราะพะยายามมาเลยต้องมามาส่งพอมาส่ ง, ง, งเลยทาไมก็แล้วมันนั่งข้างบนเพราะเย็นห้องห้องมนันเย็นดี แอร์เย็นๆแล้วในที่สุดฟังไปฟังมาก็เลยเกิดใจเชื่อศรัทธาบางคนอาจจะเพราะว่าเพื่อนชวนมาไม่ได้บอกว่ามาฟังเทศหรือฟังเรื่องศาสนาก็เลยหลวมตัวมามาก็เลยฟังฟังไปฟังมาก็เลยเกิดใจศรัทธาบางคนมาเพราะว่าครอบครัวมาหมดตัวเองอยู่คนเดียวไม่สนุกเพราะเดี๋ยวตอนบ่ายต้องไปเทศ่ยวต่อด้วยกันก็เลยต้องมาด้วยเลยมาฟังไปฟังมาก็เลยเกิดใจศรัทธาเชื่อเราจะมาด้วยสายเหตุอันใดก็ตาม มาพบเพื่อนมากับครอบครัวมากับญาตมากับด้วยสาเหตุใดกต็ตามแต่ในที่สุดเราเกิดใจศรัทธาและได้ชื่อวงางใจในพระเยซูคริสต์เพราะพระองค์ทรงเรียกเราไว้ถ้าไม่อย่างนั้นเราจะไม่มีเหตุอันใดที่จะนําเราหรือพาเรามาจนมาถึงซึ่งความเชื่อที่มีอยู่ในพระเยซูบางคนมา น, นั่งฟังทั้งปีก็สุดท้ายแมวหรือบางคนตัดสินใจเชื่อแล้วสุดท้ายก็ยังถอนความเชื่อบางคนบอกอาจารย์แมนขอยื่นใบลาออกได้ไหมผมว่าออกจากอะไรออกจากการเป็นคริสเตียน ผมบอกว่าปกติผมไม่เคยได้ยินคํานี้ไม่เคยมีใครส่งใบาลาออกให้ผมผมไม่รับมูยื่นใบาลาออกกับพระเจ้าเองเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดจะลาออกจากการเป็นผู้เชื่อจากการเป็นคริสเตียนให้ยื่นกับพระเจ้าโดยตรงแต่ถ้าจะยื่นออกจากการเป็นสมาชิกของคริสตกเชยอนก็ยื่นกับอาจารย์เคมได้นะครับอาจารย์บุญทิลาได้นะแล้วไปเป็นสมาชิกที่อื่นนะไม่รับเหมือนกันอาจารย์บอกไม่รับ <laughs> นี่ไปตกลงกันเองนะครับ แต่าจะยืนออกจากการเป็นเครื่องเสวนให้ยืมกับพระเจ้าโดยโตงไม่ต้องมายืมกับใครบางคนเชื่อแล้วก็ยังถอนความเชื่อยังคงเลิกเชื่อก็มีแต่จงคิดให้ดีว่าเหตุใดเราจึงมาถึงความเชื่อในพระเยซูคริสต์ในวันนี้ที่เกิดใจเชื่อและศรัทธาไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆก็ตามเป็นพระเมตตาคุณของพระเจ้าที่พระองค์ทรงเลือกเราถ้าพระองค์เลือกแล้วจะด้วยวิธีการใดก็ตาม เราจะมาถึงซึ่งความเข้าใจและความเชื่อในพระเยซูคริสต์อย่างแน่นอนไม่ว่าหนทางนั้นจะยากลำบากหรือหนทางนั้นจะง่ายก็าตามจะมีหนทางที่จะนำเรามาถึงซึ่งความเชื่อในพระเยซูคริสต์ได้เพราะพระองค์ทรงเลือกเราไว้แล้วนี่คือความจริงมีตัวอย่างมากมายในพระคัมภี่ใที่เราเห็นด้วยอย่างคันทีชาวเอธิโอเปีย เขามาที่เยรูซาเล็มเพื่อมาร่วมหรือมามาร่วมในพิธีต่างๆของคนยิวแล้วก็เดินทางกับเพราะพระองค์ทรงเลือกเขาไว้แล้วจึงให้ฟิลิปไปยังที่เปลยอกเพื่อจะไปพบกับขันธทีคนนี้และฟิลิปได้ประกาศได้อธิบายและได้นํำขันธ์ีคนนี้รับบัพติศมาแม้จะเป็นที่เปลยอกพ ร, ะ เ, พระเจ้าก็จะส่งคนไปเพราะพระองค์ทรงเลือกไว้แล้ว แม้จะถูกข่มเหงหนักเพียงใดแต่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้วพระองค์ก็จะส่งคนของพระองค์ไปแม้ว่าจะมีการต่อต้านมีการข่มเหงมีการไม่เห็นด้วยหรืออยู่ในที่ที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนอย่างไรเราก็ได้ยินอาจารย์ผมคนหนึ่งบอกว่าท่านมีชีวิตที่เลเะเทะสมเลยเทมาแต่เพราะพระเจ้าทรงเลือกท่านนั่งอยู่ที่ต้รุรถเมและซีกุลแขก ป้ารถเมย์นั่นก็คือป้ารถเมย์ถน น, นตกนี่เองแล้วท่านก็ซื้อกล้วยแขกมากินบางเอิญใบปิ่ที่เข้าไปแจกเนี่ยแม่ค้าไปพับทำถุงกล้วยแขกท่านก็เลยฉีดมาอ่านระหว่างที่นั่งรอรถเมย์อ่านอ่านอ่า น, านสุดท้ายกลับใจใหม่เพราะใบปิ่วใบนั้นไม่ว่าเราจะเป็นใครอยู่ที่ไหนทำอะไรถ้าพระเจ้าทรงเลือกเราจะมาถึงสึ่งควาร เพราะฉะนั้นบอกคนข้างขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์เลือกเราไม่ใช่ง่ายนะครับเราจะมาเพราะการแต่งงานเพราะอยากแต่งงานหรือเพราะเพื่อนเพราะความสัมพันธ์เพราะว่ารวมตัวมาอย่างไรก็แต่เมื่อเรามาถึงซึ่งความเชื่อศรัทธาแล้วใจเราเปิดออกและตัดสินใจเชื่อแล้วนี่คือพระเจ้าทรงเงียกเราและทรงใช้ทุกวิธีทางที่นำเรามาถึงซึ่งความ จงขอบคุณพระเจ้านี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงเลือกเราก่อนที่จะวางรากสร้างโลกนี่เป็นเรื่งที่น่าภาคภูมิใจไม่ใช่ท่วงมาเดือนนี้แล้วเพิ่งจะมาเลือกดูว่าใครงโง่เฮงดีและจะเลือกเข้าแผ่นดินของพระเจ้าไม่ใช่พระองค์ท ร, ง, ทร ง, งเลือกเราตั้งแต่ก่อนวางรากสร้างโลกนี่คือสิ่งที่น่าภูมิใจน่าชื่นใจและน่าขอบคุณพระคุณพระเจ้าตั้งแต่ที่เรายังไม่รู้ว่าเราจะเกิดหรือไม่เกิดมีตัวตนในโลกนี้หรือไม่มีแต่พระเจ้าจะเลือกเราแล้ว เพราะฉะนั้นเราต้องภูมิใจเราต้องขอบคุณพระองค์นี่เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าเลือกเราอย่ามองว่าเป็นเรื่องที่เราตัดสินใจเองอย่ามองว่าเป็นเรื่องที่เราเลือกพระเจา้าไม่ใช่พระองค์เลือกเราบอกเขาในคอีกครั้งหนึ่งพระองค์เลือกท่านไม่ใช่ท่านเลือกพระองค์เพราะฉะนั้นอย่าหลงอย่าหลงคิดว่าดีที่เราเลือกพระเจ้าเราเอยู่ฝ่ายพระเจ้า ทำให้เพื่มีฝ่ายสนับสนุนเยอะขึ้นไม่ใช่นะดี๋ยวนั้นี่มีคนอย่างเรามาเชื่อเนี่ยทำให้มีน้ําหนักมากขึ้นนะไม่ใช่เพราะเพื่อเลืกเรานี่เป็นพระคุณที่ยิ่งใหญ่ลหลายๆคนที่นั่งอยู่ที่นี่ผมก็เห็นแล้วว่าผมเริ่มที่เรารู้จักกันผมไม่ไม่แน่ใจแล้ว่าท่านจะมีโอกาสได้รับความวอรอดไหมเนี่ย สุดท้ายในวันนี้ผมก็เห็นททั้งหลายตัดสินใจเชื่อพระเยซูคิดอยู่ในทางกองพระงนี่เป็นเรื่งที่ผมขอบคุณพระเจ้ามากสิ่งที่เราคิดไม่ถึงพระองค์ทรงทจะเตรียมไว้พระองทรงกระทำการของโระงมีคนหลายคนและครอบครัวในซอยของเราในเวลาที่ผมอยู่ผมก็ไม่คาดคิดเลยว่าเขาจะเชื่อแต่หลังจากที่ผมออกไปแล้วขอบคุณพระเจ้าครับผมออกแล้วทำให้เขาเชื่อผมควรออกนานแล้วนะแต่ผมอยู่ต่อข้อาจจะมีเชื่อเหมือนเดิมหรือเปล่าไม่รู้นะ ถ้าอยู่แล้วถ้าเป็คนเชื่อเยอะขึ้นผมก็จะอยู่แต่ถ้าออกแล้วถ้าเป็คนเชื่อผมควรจะออกขอบคุณพระเจ้าจะมีหลายคนที่อยู่ที่นี่โอ้โหผมได้ยินเสียงนอนอยู่ข้องบนได้ยินเสียงเนี่ยเพราะว่ากันตีกันตลอดเวลาแต่เมื่อเขาย้ายออกจากในซอยเข า, าออกไปผมก็ได้ข่าวว่าเขากับใจเชื่อเป็นสมาชิกของบางคริสตจักรอันนี้ขอบคุณพระเจ้าที่เขาย้ายเขาอาจจะย้ายโดยว่านี้หน่อย <laughs> แต่อย่างไรก็ตามไม่ไว่าวิธีใดก็ตามด้วยเหตุใดก็ตาม ในที่สุดเป็นเหตุให้เขาได้มาถึงความกอดเพราะพระเยซูคริสต์ส่งเลือกเขาไว้แล้วพระเจ้าได้สรงเลือกเขาไว้แล้วท่านทั้งหลายก็เช่นกันนี่เป็นเรื่องที่สําคัญเป็นเรื่องที่น่าจะภาคภูมิใจมากที่สุดไม่ว่าเราจะเกิดมาจบอะไรก็ตามมีอาชีพอะไรก็ตามมีฐานะอย่างไรก็ตามเมื่อเราถูกเลือกนี่คือเรื่องที่น่าภูมิใจที่สุดน่าขอบพระคุณพระเจ้ามากที่สุดอาก็ต้องเป็นเศรษฐินร้อยล้านพันล้านแต่เราไม่ถูกเลือก น่าเสียดายที่สุดแล้วจะอะไรมาแรกได้นะอย่ามัวมานั่งน้อยใจว่าเชื่อพระเจ้ามาตั้งนานชีวิตเม้นดีขึ้นเลยไอชีวิตที่ดีขึ้นเืยไม่ดีขึ้นน่มันสำคัญไม่เท่ากับการที่พระเจ้าจะเลือกเราแล้วเอเมนไม่อยากจะตอบเลยเอเมน ผมจะจะบอกกับเราว่าชีวิตที่ดีขึ้นหรือตกต่าลงหรือแย่ลงหรือชีวิตที่รวยขึ้นหรือชีวิตที่ ล, ละเมลายหรือชีวิตที่ยังไงก็แล้วแต่ไม่อาจเทียบกับการที่ประชจ้าทรงเลือกเราได้สําคัญที่สุดเพาว่าชีวิตในโลกนี้ขึ้นๆลงๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากลับไปกลับมาไม่มีใครรู้อาจลําบากอาจจะสบายอาจจะขึ้นอาจจะลงอาจจะคนปรารถนาอาจจะคน ปฏิเสธหรอกอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าเราเป็นหนึ่งในนั้นที่ถูกเลือกจงขอบคุณพระเจ้าอย่าสนใจกับสถานการณ์ในวันนี้สภาพของเราในวันนี้เพราะในที่สุดบ้านปลายของเราสุดท้ายของเราคือแผ่นดินของพระเจ้าเรามาในโลกนี้เพียงแค่เหมือนนักท่องเที่ยวแล้วเราก็จะผ่านไปอย่ายึดติดอะไรมากนักกับในโลกนี้แต่จงขอบคุณพระเจ้าที่เราเป็นหนึ่งในนั้นที่ถูกเลือกไปแล้วเอเมน นี่คือเรื่องที่สำคัญที่สุดโปดจำไว้วันนี้เรารวยก็ขอบคุณพระเจ้าวันนี้เราจนก็ขอบคุณพระเจ้าวันนี้เรามีขอบคุณพระเจ้าวันนี้เราไม่มีขอบคุณพระเจ้าวันนี้เรามีงานทำที่ดีมีหน้ามีตาขอบคุณพระเจ้าวันนี้เราตกงานไม่มีอะไรทำเลยเหมือนคนไร้ค่าก็ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าเพราะยังไงเราก็คนคนที่ถูกเลือกแล้วพระเจ้าทรงเลือกเราไปแล้วอย่าน้อยใจอย่าน้อยใจพระเจ้าอย่าต่อว่าพระเจ้าอย่าตีโพยตีพายเพราะ เราถูกเลือกไว้ตั้งแต่ก่อนสร้างโลกแล้วเราผ่านโลกนี้เพียงแค่ชั่วคราวเราจะผ่านแลวจะกลับบ้านไปเราจะไม่เผชิญกับเรื่องเหล่านี้เราจะอยู่กับพระองในแผ่นดินของพรองอย่างเท้าบอล น, นินวนคร่งทรงเลือกเราคนไทยอีกมากมายเหตุใ ด, ดพรุองจึงเลือกเราคนรุ่นเดียวกันเหตุใ ด, ดพร่องจึงเลือกเรา ผมเดจะบอกกับเพ่อนผม50เม51 52แต่เพื่อนรุ่นเดียวกับผมที่โตมาด้วยกันไปเกิดหมดแล้วถึงคนที่มีอยู่ผมก็นึกไม่ออกว่าเขาอยู่ที่ไหนแล้วตอนนี้แต่ผมขอบคุณพระเจา้าถ้าเพื่อนไม่ได้เลิกผมผมน่าจะไปนานแล้วเหมือนกันนะเพื่อนของผมส่วนใหญ่ถูกวิสามันฆาตการรม เพราะถ้าผมไม่ได้ถูกเลือกโดยพรงผมอาจจะโดนวิสามันฆาตกรรมก่อนใครเพราะเรื่องแบบนี้ผมหัวเสยพอสมควรเรื่องไอ้ทั้งไม่ดีเนี่ยเป็นเอกเลยแล้วไปเป็นหัวโจกนำคนอื่นอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นถ้าพระเจ้าไม่เลือกผมผมคนจะเป็นคนแรกที่ไปก่อนใครถูกวิสามันก่อนใครขอขอบคุณพระเจ้าที่พระองส่งเลือกพระองค์เลือกไว้แล้ว ผ่านช่วงวันเวลาที่ยากลําบากผ่านช่วงวันเวลาที่ทุกผ่านทั้งน้ําตาเสียงหัวเราะรอยยิ้มผ่านทุกช่วงวันเวลาและขอบคุณพระเจ้าวันนี้ยังยืนอยู่และยังอยู่ในทางของพระองค์ผมเพียงแค่หวังใจอย่างยิ่งว่าพระองค์จะปกป้องและคุ้มครองผมจนวันสุดท้ายด้วยแค่นี้จนลมหายใจสุดท้ายที่ผมยังอยู่ในทางของ พ, พระองค์เมื่อพระองค์เลือกแล้แต่สิ่งสําคัญต่อมาที่ผมอยากจะบอกกับเราก็คือ พระองค์ทรงเลือกเราไม่ใช่เลือกมารเปล่าๆเลือกเฉยๆแต่พรงเลือกอย่างมีพระประสงค์ของพระองค์ดูเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาถึงซึ่งความรอดเราเป็นผู้เชื่อคนหนึ่งเราไม่ได้ถูกเลือกเพื่อเราจะได้รับความรอดในพระเยซูคริสต์แ ล, แล้วเราก็ยิ้มสบายใจนั่งฟังเทศยังหลับได้สบายใจแบบนั้นไม่ใช่แม้นเราถูกเลือกโดยพระองค์เพื่อได้รับความรอดแล้ว แต่พวกมีพระประสงค์ที่สาคัญวิ่งในชีวิตของเราแต่ละคนพระประสงค์นั้นยิ่งใจ่และนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าวันหนึ่งเราอาจจะต้องมานั่งเสียใจกับชีวิตของเราทั้งชีวิตที่ผ่านไปตั้งแต่วันแรกที่เราตัดสินใจเชื่อพระเยซูคริตจนวันที่เรากำลังจะจากโลกนี้ไปว่าเราไม่ได้ทำสิ่งที่พระองค์ประสงค์ในชีวิตของเราเราอาจจะประสบความสาเร็จในเรื่องอื่นๆมากมายนะ เราอาจจะเวียนจบสูงที่สุดเท่าที่จะเวียนได้เราอาจจะมั่งมีทุกสิ่งเท่าที่คนหนึ่งฝ่ฝันและอยากจะมีได้เราอาจจะประสบความสำเร็จในหลายเรื่องในชีวิตของเราก็เป็นได้เท่าที่เรามีกำลังจะทำได้เร า, าเป็นคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงแต่หากเราไม่ได้ทำสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าผมก็อยากจะบอกว่าสิ่งเหล่านั้นก็ปราบประโยชน์เพราะเราต้องทิ้งลงทิ้งไว้ข้างหลังแล้วเราก็ไปตัวปล่า นี่ผมไม่เทศกันไม่ได้เท ศ, ดเทศโดยคิดว่าพวกเราอยู่หน้าสุสานนะต้องขออภัย <c oughs> แต่เราต้องทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังและไปตัวเปล่าแต่บางครั้งไปสุสานบ่อยๆก็ดีเหมือนกันจะไม่เราคิดตกคิดใต้และไม่ต้องฟงุ้งไม่ต้องฟุ้งซ่านจนเกินไปแต่ใครรู้สึกว่าฟุ้งซ่านมากก็มีโอกาสไปเยี่ยมสุสานบ้างก็ดีนะครับช่วงนี้เริ่มต้นปีใหม่แล้วฟุ้งซ่านจิตใจวุ่นวายไปหมด ก็ไปอยู่สุสานสักสองสามชั่วโมงไปนั่งสงบใจอยู่ที่นั่นและทุกอย่างเราจะสงบหนึ่งเราจะรู้ว่าสุดท้ายเราทิ้งทุกอย่างลงและไปทุกอย่างพระเจา้ามีพระประสงค์ที่สําคัญยิ่งในชีวิตของเราพระประสงค์ที่ล้าลึกของพระองค์ก็คือแผนการแห่งการช่วยกู้แผนการที่พระองค์จะทรงไถ่มวลมนุษยชาติให้ได้รับความรอดนี่เป็นแผนการที่ล้าลึกและพระองค์ทรงมอบแผนการนี้ไว้กับเราทั้งหลายด้วย ขอเข้าใจนะครับสิ่งที่พระองค์ทรงมอบไว้กับสาวกของพระองค์ก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ก็คือเรื่องนี้แหละเหตุที่พระองค์เสด็จมาในโลกนี้การที่พระเยซูเสด็จมาบังเกิดในโลกนี้ก็เพราะเหตุนี้แหละเพราะนั้นการมาของพระองค์แผนการของพระเจ้าที่ทรงเผยหรือทรงกล่าวไว้ล่วงหน้าก็คือเรื่องนี้การมาของพระเยซูคริสต์ก็คือเรื่องนี้สิ่งที่พระองค์สั่งสาวกของพระองค์ไว้ก็คือเรื่องนี้ ก็คือการช่วยกู้คนทั้งแต่นินโลกให้ได้รับความรอดพระองค์ทำในส่วนของพระองค์และพระองค์ทรงมอบแผนการนี้ด้วยความไว้วางใจให้กับเราทั้งหลายที่เป็นสาวกที่เป็นผู้เชื่อด้วยความวางใจพวกเราว่าพวกเราจะทำต่อให้สำเร็จด้วยนี่คือการเป็นเหตุหรือการช่วยคนอื่นๆหรือการบอกข่าวประเสริฐของพระเยซูข่าวดีเรื่องนี้ให้แก่คนจานวนมาก ได้รับรู้เพื่อเขาจะได้รับความรอดนี่เป็นหน้าที่ที่สําคัญนี่เป็นบทบาทเป็นแผนการที่พระเจ้ามีไว้ให้กับเราเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ทําอะไรเลยสําหรับเรื่องนี้ก็เป็นเิื่องที่น่าเสียดายมากถ้าคริสตจักรไม่ได้ทําอะไรเลยในเรื่องนี้ก็เป็นเิ่งที่เสียดายมากไม่ว่ า, าจะอยู่ในบทบาทใดในคริสตจักรถ้าเราไม่ได้ผลักดันกระตุน้นและนําให้พี่น้องทําในเรื่องนี้เลยก็เป็นเิ่งที่น่าเสียดายมาก แล้ววันหนึเราจะนั่งเสียใจว่าเราไม่ได้ทําอะไรขอพระยาเปิดตาใจของเราที่เราจะตื่นตัวในเรื่องนี้และผมหวังว่าจากนี้ต่อไปพี่น้องในคริจักรซีโอนกับเซียวไหมายจะจับมือกันนั่นแฟนมากขึ้นเพื่อทําสิ่งเหล่านี้ให้มากขึ้นเรื่อยเพื่อให้คนไทยจํานวนมากได้รับข่าวประเสริฐน้ำท่วภาคใต้ เสียชีวิตไป20ตัวคนนี่ไม่ได้หนักมากนะครับถ้าเทเียบกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนี่เบาะๆ25คนซีนามิตอนภูเก็ตต้องเท่าไหร่หลายพันคนและถ้าเกิดซีนามิอย่างนั้นอีกหรือเกิดเหตุการณ์ที่เลวร้ายหนักยิ่งกว่านั้นอีกซึ่งคาดว่าอาจเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะต้อง รับผลกระทบตรงนี้ด้ามขวานของเราทั้งหมดลงไปเลยอาจจะได้รับผลกระทบในทั้งหมดและคนจะสูญเสียมากเท่าไหร่สําหรับเราทั้งหลายที่ได้รับความรอดแล้วที่เชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วเราไม่ได้กลัวความตายจะตายด้วยวิธีใดจะตายด้วยเวลาใดสถานการณ์อย่างไรก็ตามแล้วไม่ได้กังวลจนเกินไปเพียงแต่ไม่อยากตายในวันนี้เท่านั้นเองแต่เราไม่ได้กลัวเรื่องของความตายถ้ามันจะมาเยืยนอนเราเราก็ยินดี เพ่าะงี้เราก็รู้ว่าเรารอดแต่คนจํานวนมากล่ะที่ต้องตายโดยไม่มีโอกาสเลือกเลยไม่มีโอกาสรู้เลยไม่มีโอกาสได้เข้าใจอะไรสักอย่างเลยไม่มีโอกาสได้ยินเรื่องของข่าวประโยชน์เลยน่าเสียดายสักเท่าไหรความรัประชอบนี้จะอยู่ที่ใครรุ่งบอกไว้กับเราทั้งหลายแล้วไม่มีใครปฏิเสธได้อย่ารอวันนี้ไม่ต้องรอมิชนาลีแล้วนะครับ หรือใครยั ง, องรอรอวิ่งมิชชนาีมาประกาศิไม่แล้วเราทั้งหลายจะต้องลุกขึ้นเราคือคนที่ได้รับพระคุณและข่าประเสริฐนั้นแล้วเราจะต้องแบ่งปันและบอกต่อเรื่อง น, นี้แก่คนไทยของเรายิ่งกว่านั้นต้องบอกต่อถึงคนต่างชาติคนอื่นต่อไปด้วยจนถึงที่สุดปลายแผ่นนีลงนี่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้ า, าที่มีต่อพวกเราถามว่าทาไมสาคัญในพระธรรมสองไปตัวบทที่สามขา้อดกพูดชัดเจน พระองค์ทรงล่าช้าที่พระองค์ดูเหมือนช้าที่ยังไม่เสด็จมาสักทีไม่ใช่เพราะว่าพระองค์ชักช้าหรือเพราะพระองค์ไม่สนใจแต่เพราะพระองค์ไม่ปรารถนาจะให้สักคนหนึ่งต้องพินาต้องการให้คนทั้งเปิงคนทั้งหลายกลับใจเสียใหม่ที่พระองค์รอแล้วรออีกรอแล้วรออีกต้องการให้คนได้รับความรอดเพราะนี้เป็นแผนการที่ยิ่งใหญ่เป็นแผนการที่ล้ำลึกของพระองค์ที่พระองค์มีไว้ต่อเราทุกท่าน และพระเยซูคริสต์ได้มอบปทบาทในที่ที่สำคัญชนนี้ให้กับเราทำัำขอพระเจ้าทรงเมตตาเปิดตาใจของเราในวันนี้ที่เราจะรู้ปีนี้เราจะมีความใฝฝันหลายอย่างเราจะตั้งเป้าไว้หลายอย่างหลยายเรื่องในชีวิตของเราทั้งครอบครัวทั้งการงานทั้งอะไรหลายรูปอนชีวิตของเราจะอย่าลืมว่าพระประสงค์ของพระเจ้าที่พระเยซูคริสต์ส่งมาบไว้ในหมู่อของเราเราจะทําอย่างไร ผมอยากจะเล่าเรื่องของคนบางคนให้เราฟังสิ่งบางคนในนั้นอาจจะหมายถึงเราด้วยหรือเปล่าคุณก็ไม่รู้ไม่ได้เจาะจงหรือตั้งใจจะว่าใครแต่ถ้าหากมันตรงกับเราน่าจะเป็นโอกาสที่เราจะกลับใจใหม่ได้มีพี่น้องบางคนที่ผมรู้จักเมื่อพูดจริงจะต้องทำพันธกิจร่วมกันหรือจะต้องมีส่วนในพันธกิจของพระเจ้าเรารู้สึกว่าเงินสารียาก เงินหนึ่งก็ยังยากเงินพันก็ยากเอาสักห้าสิบบาทเราจะาก่อมีส่วนร่วมแต่ถ้าพูดถึงเราต้องเที่ยวต้องกินต้องไปใช้เวลาพักผ่อนกับครอบครัวมือหนี่ยังน้อยไปสามหนึ่งของกำลับบงดีแต่สักล้านจะเปหลายประเทศหน่อยเราคิดง่า ย, ายแล้วตัดสินใจได้เพื่อดูแลเพื่ออนาคเพื่อความสุขเพื่อความสุกสนานเพื่ออะไรของเราได้ ผมไม่ได้บอกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยผิดขออภัยนะครับถ้าเรามีกําลังที่จะทำอย่างนั้นไปเถอะดีกว่าท่านจากไปโดยไม่ได้ไปไหนเลยเงินไม่ได้ใช้เลยแต่อย่าลืมว่าสิ่งที่อยู่ในมือในความรับชอบของเราคือราชกิจที่ยิ่งใหญ่ของกรมเรือรุ่งของข่าวปเสริจงมีส่วนอย่าเสียายเงินของเราเหน็นไหมครับเพราะที่พระเจ้าให้กับเราเพื่อเราจะมีส่วนเพราะในวันหนึ่งถ้าสิ่งเหล่านี้ต้องหมดไป เราจะนั่งเสียดายว่าเวลาที่เรามีทําไมเราไม่มีส่วนหรือในวันที่เราจะต้องจากไปเราจะนั่งเสียดายว่าทําไมสิ่งที่เราทิ้งไว้กองพเนธุ์นทึกมากมายทรัพย์สินเงินทองไม่ได้มีส่วนใดในงานของพระองค์เลยจะนั่งเสียดายอย่างนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เก็บได้แต่อย่าไปเก็บมุ่งตั้งหน้าตั้งตาเก็บอย่างเดียววันนี้ใช้ได้แต่ไม่ใช่ตั้งหน้าตั้งตาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนเพื่อความสุขสนุกสนานของตนเองอย่างเดียว จะจงจําไว้ว่าเรามีภารกิจที่สําคัญแผนการที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของเราอยากลัว่าเงินหลงท่านจะหมดการที่ให้กับพระเจ้าพระเจ้าไม่เคยติดค้างท่านพระเจ้าไม่เคยติดค้างใครและนี่คือสิ่งที่ผมยืนยันด้วยชีวของผมเองด้วยยิงให้พันพี่บอกว่าไงยิงบางคังยิ่งหลวงไว้ ก็จะยิ่งอยากจนโดยชฉพาะยิ่งให้กับงานของพระเจ้าก็จะยิ่งบางครั้งพระองค์จะถือว่าท่านเป็นคนที่สัตด์สูทพระองค์จะไว้วางใจที่จะให้กับท่านมากขึ้นเพราะท่านเป็นผู้ที่ให้เพราะฉะนั้นจากนี้ไปจงตั้งชื่อลูกหลานของท่านและให้นำสกุลเขาเป็นแท้ให้นะครับแท้หวเ น, เนเนี่ยแท้กักไปเนี่ยตัดทิ้งให้หมดจากวงจรจากตระกูลของเรา แท้คุแท้กักแท้อะไรแท่เหนียวเลยผู้เนี้ยทิ้งให้หมดซะเป็นเป็นตระกูลแท่ให้ให้หมดขอพระเจ้าสมเมตตาที่คนของพระองค์ลูกของพระเจ้าจะเป็นคนมีหัวใจอย่างนั้นเพื่อแผนการที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์จะสําเร็จประเทศไทยของเราข่าวประเสริฐไปไม่ถึงไหนก็เพราะคริสเตียนไทยอีกเป็นเป็นส่วนนี้เป็นสาเหตุที่สําคัญนี่ อย่างที่ผมบอกไม่ใช่คนไทยใจแข็งแต่เพราะคริสเตียนไทยปากแข็งปากหนักปากแข็งไม่ย่างพูดที่สําคัญคริสเตียนไทยก็หยิบขึ้นออกมาน้อยมากนี่คือความจริงผมพบพี่น้องคริสเตียนหลายคนดีเดียวก็บอกว่าเราจะมีส่วนร่วมกันในงานของพระเจ้าในเรื่องนีอ้อาจารย์อยากมีส่วนแต่ว่าไนไม่ค่อยมีอะไรเลยตอนนี้ ที่ททประเจ้าอวยพรนี้จะมีส่วนผ่านไปนี่กี่ผ่านไปแค่ช่วมมงกว่ากว่าพี่น้องคนหนึ่งมาบอกเขาติดเสื้อ ส, สวยๆมาหลายตัวลด ร, ราคาครึ่งราคาเพราะว่าเหลือแค่ห้าหกตัวใครจะซื้อคนที่บอกอาจารย์หมูไม่เคยจะมีอะไรเลยซื้อก่อนหล้านี ก็ไม่บอกว่าเราให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรอยู่แล้ววันนึงต่อหน้าพระพักของประจ้าเราจะตอบอย่างไรผมไม่ได้บอกว่าการทำอย่างนี้ผิดหรือถูกแต่ก็ตลังบอกว่าเรากำลังให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรคนหนึ่งที่จะมีส่วนในงานของพระเจ้าบอกช่วงนี้ไม่มีแต่ถ้ามีทริปไปต่างประเทศโปรโมชั่นลดสี่สิบเปอร์เซ็นตสมัครเป็นคนแรก กำลังบอกอะไรผมไม่ได้บอกว่าเรื่องนี้ผิดหรือถูกแต่สิ่งนี้กําลังแสดงออกว่าเรากําลังให้น้ําหนักหรือความสําคัญกับเรื่องใดคนของพระเจา้าลูกของพระองค์ที่พรองอุตส่าห์เลือกตั้งแต่ก่อนวางรากสร้างโลกเพื่อให้ได้รับความร่วงคนของพระเจา้าที่พระองค์ทรงไว้วางใจมอบงานที่สําคัญที่สุดนี้ไว้ในมือของเรา และเรากำลังทำอย่างนี้ไม่ต้องมีใครบอกเราสิ่งที่เราตัดสินใจมันกำลับงบอกกำลังสึกในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นจากวันนี้ไปทุกอย่างยังอยู่ในมือของเรายังอยู่ในอำนาจและการตัดสินใจของเราท่านเลือกเองผมชื่อว่าบ๊อบก็โย่ไปเป็นมิชชนารีในนามของพิจักซุโอนที่เราทั้งหลายเป็นส่วนสาคัญ และมากกว่า 90% ที่พวกเราเป็นผู้รับผิดชอบส่งออกไปผม ก, ก็แน่ใจว่าเราจะสามารถส่งครอบครัวที่สองต่อไปได้อีกพวกเราเริ่มเปิดพิจากรณาสายไหมแล้วเป็นพินจารรูปจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใ จ, จกต็ตามพวกเราก็สามารถจะเปิดต่ออีกในแห่งที่สองได้เหมือนกันไม่ต้องรอให้คนนั่งเติมบทเพราะตอนเปิดบทเชิญสายไหมใหคนก็ ไม่ได้มากแลยไปกว่านี้อาจจะน้อยกว่านิดหน่อยด้วยซ้ำไปแล้ววันนี่แสดงว่าเราสามารถจะเปิดต่อได้ยิ่งจับมือกับบทลูกแล้วร่วมกันทําก็จะยิ่งทําได้ไหวขึ้นมากขึ้นด้วยนี่คือสิ่งที่เราต้องทําเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นแม่เราไม่ลุกขึ้นจะพาลูกทําลูกก็จะไม่รู้จะจะทาอะไรเลยเหมือ น, นกันวันนี้จะกลับกลายมาเป็นภาราให้แก่แม่ด้วยซ้ำไปอยากให้เป็นอย่างนั้นไหมครับอยากเห็นลูกของเราออกหล้าน และเอาหลานมาให้แม่เรียนไหมถ้าไม่อยากวันนี้ลุกขึ้นพาลูกทำงานหน่อยอย่าทำโดยมองข้ามหรืลืมลูกพาลูกลุกขึ้นทำเพื่อลูกจะเข้มแข็งเหมือนเราและจะได้ไม่กลัดกายเป็นภาระให้กับเราไม่ต้องเอาหลานมาฝากเอาหลานมาให้เราเรียงเพิตัวเองมาอยู่กับเราอีกแขวนกูกับเราอี ก, อ, กอีกหน่อยต้องรอให้ซีอีโอใสไหมมาขอการสับสนุจากโบท์ไอีกปีละแสนสองแสนหม ข้ไม่อยาลุกขึ้นพารูปทำงานในวันนี้ฝึกเข้าด้วยเหมือนกันขอพระเจ้าทรงช่วยทั้งหมดนี้เพื่อให้แผ็นหนึ่งของพระเจ้าขยายออกไปในประเทศไทยเพื่อแผนการของพระเจ้าที่ทรงมอบไว้ด้วยความไว้วางใจกับเรานั้นสําเร็จพระเจ้าเลือกพวกเราเพื่อพระประสงค์ของพระองค์พระประสงค์ของพระองค์คือต้องการให้คนไทยทั้งประเทศได้ยินข่าวประเสริฐและให้คนไทยได้ดรับความรอด ม่ใช่กค่คนไทเท่นั้นตั้งเขเมรเวียดนามลาวพมา่าหรือวันหนึ่งเราจะต้องย้อนกลับไปทางยุโรปทางตะวันตกตะวันออกกลางเราต้องไปทุกทั้งเอเชียอย่าคิดว่าเราทำแค่นี้ก็เหนื่อยแล้งมากพอแล้วแต่ต้องมีความไฝฝันว่าถ้าพระช้าส่งเมตตาให้กับยจักรเซียนใจไหมส่งไปได้สักห้าสิบประเทศสักร้อยประเทศได้เราจะทำ ถ้าพราะองค์ทรงเมตตาให้กับพิจิตรศิลศิลที่นี่ร่วมกับบทรูปร่วมกับเครือข่ายและเราสามารถจะบุกเบิ ก, ก่อตั้งพิจักรในทุกจังหวัดที่ยังไม่มีคริสจักรทุกอำเภอที่ยังไม่มีคริจักรในประเทศไทยได้เราจะทําและถือว่านี่เป็นเกียรตินี่เป็นพระเมตตาคุณที่พระเจ้าให้กับเรามีส่วนในแผนการที่ล้าลึกขององค์เราควรคิดและมีความหวังใจอย่างนี้ไม่ใช่หนึ่งแห่งโอหนักพอแล้วเหนื่อยมานานแล้วขอพักป้าจะพักหยาบ ส่งบ๊อบก็โยนี้กันหนักพอแล้วขอพักเราจะต้องมีความมั่นใจมากขึ้นว่าพระเจ้าจะใช้เรามากขึ้นเมื่อเราก้า1หนึ่งคนหนึ่งครอบครัวหนึ่งแห่งพระเจ้าก็จะเพิ่มต่อเรื่อยๆเราตระหวายไม่เชื่อลองดูทุกคนมีเพื่อนปีในมือไหมครับเชื่อยกขึ้นหน่อย คนที่ไม่มียกมือถือก็ได้เพรท่านจะดูทั้งหลายผัอย่างนี้ผนถามว่าหนักไหมครับหนักถ้าเพิ่มีกสักเล่มไหวไหมยังไหวฮะถ้าเพิ่มีสักสองเล่มไหวไหมก็ยังไหวใช่ไหมครับถ้าเพิ่อมอีสักสามสี่เล่มยังพอไหวไหมไม่ค่อยไหวแล้วใช่ไหมแต่ถ้าอีกคนงมาช่วยเราจะไหวไหมก็ไหวเช่นเดียวกันของพระเจ้าก็อย่างนั้น ขอพระเจ้าทรงเมตตาและผมบังอย่างยิ่งว่าขุยจักรีโอนจะไม่ได้จบลงแค่ขุยจักรซีโอนสายใหม่ไม่ได้จบแค่การส่งบ๊อบ ก, กับโย่แต่เราจะส่งมากขึ้นมากขึ้นแล้วเราจะบุกเบิกก่อปังขุยจักมากขึ้นมากขึ้นเห็นไหมไหมครับแผนกิจของขืยจักเราไม่ได้สร้างแค่ปรับปรุงอาคารข้างหลังแล้วก็ทุบแล้วก็สร้างสักวันหนึ่งเราหวังอย่างยิ่งว่าพระเจ้าจะทรงเมตตาให้ขุยจักรซีโอนมีที่ดินที่มากกว่านี้ และสร้างอาคารที่ใหญ่กว่านี้และมีพันธกิจทุน ม, มากกว่านี้เพือเชื่อและวางใจในลูกหลานของเราที่พระเจ้าจะอวยพรในบรรดาผู้เชื่อใหม่ที่จะเข้ามาที่พระเจ้าจะอวยพรและจะนำคนเหล่านั้นมาร่วมกับเราทุกวันทุกวันถ้าเรามีความหวังใจมีความเชื่อมั่นอย่างนั้นวันนี้เราต้องลุกขึ้นและก็ทำอย่างเมื่อมองว่าคนที่เคยอยู่ก็เข้าออกไปทีละคนทีละครอบครัวนั่นเป็นเรื่องของส่วนตัวของแต่ละบุคคลที่จะเลือกได้ ใครจะอยู่ต่อก็อยู่ใครจะขยับไปที่ไหนขอเราไปและอยู่เป็นพระพอรอยู่แล้วไม่เป็นพระพรก็น่าเศร้าใจไปแล้วไม่เป็นพระพรก็น่าเศร้าใจน่าสืดังไม่ว่าจะไปหรืออยู่ขอเรามีส่วนในแผนการของพระเจ้าและเกิดดอกออกผลนี่คือสิ่งที่น่าขอบคุณพระเจ้าและเป็นพระพรอย่างยิ่งเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องคิดและตรหนักถึงแผนการของพระเจ้าที่มีต่อเราทั้งหลายทุกคนและโดยเฉพาะต่อผู้จากซีโอ เขาไปเจ้าส่งตรวจเมตตาคอมจริงยังมีสักสองหัวข้อที่อาจอจะหนุนใจพวกเราต่อต่ดูเวลาละไม่เอื้อมหนวยนะครับเว้นแต่ถ้าเาื่จะไม่ทานอาหารเที่ยงเราผมจะต่อนะครับแต่ดูท่าทางใบหน้าไม่ได้สื่อเลยว่า <c oughs> จะงดอาหารเที่ยงนั่นขอเรายุนขึ้นด้วยกันนะขอหยุน ผมอยากใจะให้เราหันไปหาเพื่อนของเราสักคนหนึ่งจับมือกับเขาและที่ฐานด้วยกันอวยพรเขาเพื่อให้แผนการของโปรงที่มีในชีวิตของเขานั้นสำเร็จให้เขาได้ตอบสนองไ ด, ได้กระทําได้มีส่วนขอพระเจ้าส่งช่วยเขา เราจะดูเหมือนเราม่ข้อจำกัดมากมายแต่อย่าลืมว่าโดยพระองค์ข้อจำกัดเหล่านั้นก็จะถูกทำลายเมื่อพระองค์เลือกเราและพระองค์จะทรงใช้เราไม่มีสิ่งใดจำกัดไม่ได้อย่าให้ความยากจนนั้นหลอกเราว่าเราทำไม่ได้อย่าให้ความไม่รู้หลอกเราว่าเราทำไม่ได้ อย่าให้ภาระมากมายที่เราแบกที่เรารับอยู่นั้นหลอกเราว่าเราไม่สามารถทำอะไรได้อย่าให้ความทุกข์ความเจ็บป่วยนั้นหลอกเราว่าเราทำอะไรไม่ได้โดยพระเยซูคริสต์เราก็ทำทุกสิ่งได้และโดยพระองค์เราจะทำให้แผนการของพระองค์สำเร็จ แต่พระเจ้าค้าพรรงของมอบพี่น้องของข้าพรรงทุกคนที่จะได้ยินโดยฟังในเช้าวันนี้ไว้ในประหัตของโปรงขอพปรงได้ทรงโปรดช่วยเพื่อให้แผนการของโปรงที่มีไว้ต่อมวลมนุษยชาติและโดยเฉพาะประเทศไทยได้สำเร็จในชีวิตของข้าพรรงทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ที่รปรงทรงเลือกไว้ล่วงหน้าแล้วและโปรงทรงเรียกมาถึงวามรอดในองค์พระเยซูคริสต์ ข้าแต่ประจ่ายให้ข้าพุ่งทังรลายผ่านช่วงเวลาผ่านชีวิตนี้ไปโดยไม่ได้กระทำสิ่งที่พรุ่งประสงค์ไว้ขอทรงโปรดช่วที่ตาใจของข้าพุ่งที่ถูกเปิดออกข้าพนจะตื่นขึ้นจากการหลับไหลและข้าพุ่งจะรู้ว่าวันเวลานั้นสั้นเข้ามาเรื่อยๆทุกอย่างกำลังจะสิ้นสุดลงขอพระองค์ได้ทงโปรดเมตตาที่ข้าพุ่งทั้งหายจะไม่ลหลงไหลและเพื่อเพิ่มไปกับสิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกนี้แต่เพื่อข้าพุ่งจะจดจ่อที่พระประสงค์ของพรลงและก็ะทำให้สำเร็จ ให้สมกับที่พรวงทรงให้ความไว้าวางใจนี้แก่ข้าพุ่งทั้งหลายข้าพุ่งจึงมุงหวนต่อพระพักของโรงคและได้สมงโปรดช่วยเพื่อทุกสิ่งจะสำเร็จตามชอบพระทัยของพรงในพระนามองค์พระเยซูคริสต์ น, น, นั่นเองขอบคุณอาจารย์แมนนะครับอย่าลมนะครับ